และทุกขู่กันเป็นเรื่องธรรมดาหาคิดว่าชีวิตของคุณมีแต่ทุกข์แล้วก็ให้ธรรมะเป็นสิ่งบำบัดทุกข์อย่างถาวรดีกว่าผมใช้การปฏิบัติธรรมเจริญสติเป็นเครื่องบำบัดทุกข์บัดนี้ผมพบทางแล้วความสุขที่แท้จริงนั้นได้จากการฝึกสตินี่เอง สัมปุตตะสัตว์สารุ้จ้าตายโดยพระองค์เองนโมตัสสะพระคารโ ต, ร ต, โตรอะโรนะมแต่พระผูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นความดีเป็นของดีไม่ต้องไปคิดยุงคิดยากกันแล้ว เป็นเรื่องที่สบายที่สุดไม่ต้องไปวิตกของบนแล้วใช่เหตุใช่ผล น, นั่นใดฟังซื่อโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมนะการเจริญสติสติมันก็มีจริงๆแล้วก็ใช้ได้จริงๆ แต่ว่าเป็นภาษาบ้านเราก็รู้สึกตัวพ อ, อรู้สึกตัวมันก็สำเร็จประโยชน์แล้วมันก็พ้นจากความหลงเสร็จแล้วพ้นอะไรหลายอย่างพอที่จะเรามายกมือรู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่างนี้มันพ้นเวรพ้นภัยมันพ้นบาปพ้นกลับมันพ้นความโยกยุก่งความยาก จนมามีความรู้สึกตัวอยู่ที่กายที่มือเคลื่อนไหวรู้สึกตัวอยู่ที่ลมหายใจรู้สึกตัวอยู่กับการเดินจงกรมมันพ้นอะไรมาเยอะนะแล้วเรายังไปคิดหน้าคิดหลังถูกหรือผิดเอาผิดเอาถูกอย่าไปเอาคิดเอาถูกกับความรู้สึกตัวแ่รู้สึกตัวก็ใช้ได้แล้วอะ อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นปรมาิไม่ใช่สมมติไม่ใช่เพ้อฝันแม้แต่การพูดเนี่ยก็ไม่ใช่เล่านิยายเล่านิทานเป็นการบอกซื่ อ, อ, อตรงๆคำพูดแต่ว่าเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ไม่เหมือนกับเราฟังเสียงเพลง ฟังนิยายนะนันสัมผัสไม่ได้ไมตตาปรุงไปต่างกับ เ, เสียงกับเรื่องกับราวกับคำพูดเึ่นเขาเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาแล้วก็มันก็ไกลตัวเราเป็นไปไม่ได้แต่ว่าการฟังทมสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราได้ยินนะ มันก็สัมผัสได้ทันทีรู้ได้ทันทีหรือเราจะมีความอดทนเวลาใดที่มันควที่อดทนเราก็อดทนได้จริงๆหรือเวลาใดที่เรามีเมตตากรุณาเราก็มีเมตตากรุณาเมตตากรุณาก็ใช้ได้จริงๆเวลาใดเรามีโอเปกหาเราก็วางได้จริงๆเวลาใดที่เราไม่ทุกข์มันก็ไม่ทุกข์จริงใจ เวลาใดที่เราโกรธมันก็ไม่เวลาใดที่เราไม่โกรธมันก็ไม่โกรธจึงเก่เวลาใดที่มันโกรธเรามีความรู้สึกตัวมันก็กลับหนีจากความโกรธมาอยู่กับความรู้สึกตัวนียกว่าของจริงสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยแต่ว่าอ น, นั่นมันค่อยเป็นไปขอให้เรามาเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวขยันรู้ การขยันรู้ต้องมีกิริยาในการกระทําลงไปจริงๆมีกิริยาที่ทำให้สมบูรณ์แบบทเรามีกายเรามีจิตใจเรามีสตินะก็อเอากายนี่มาต่อเอาสติเอาใจนี่มาต่อเอาสติให้มันต่อให้มันอยู่ให้มันจุ่มลง ให้มันจุ่มเอาไม่ใช่ว่ามีแต่รูปแบบมีแต่กิริยาไม่เป็นกรรมบางทีเราสร้างจหว่าอาจจะเป็นกิริยาเฉยๆไม่เป็นกรรมเลยฟรีเลยยกมือเหมือนกันเดินยองกลมเหมือนกันแต่ไม่มีกรรมไม่มีเกจนาไม่มีเกจนาที่จะรู้บางทีนั่งชั่วโมงหนึ่งยกมือชั่วโมงหม น, นึ่งอาจจะรู้สัก สามสิบนาทีก็จะเป็นไปลดบางคนนะบางคนก็เจตนาเจตนาให้ลูกพร้อมๆกันไปมันจึงจะเป็นกรรมถ้าไม่มีเจตนาก็ไปช่วยมันเป็นการตัดตกรรมเป็นกรรมที่ไม่มีผลเป็นกรรมฟรีทำอะไรก็ฟรีในชีวิตของเราเนี่ยเราจะใช้ชีวิตฟรีๆมา ก, มา ก, มากเดินฟรีๆ หายใจเข้าหายใจออกปรีๆความคิดดึกต่างๆหลงไปปรีๆไม่ได้แก้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้กลับทําความล้าให้เป็นความดีไม่ได้ทําการผิดให้เป็นการถูกไม่ได้ทําความหลงให้เป็นความไม่หลงก็เลยปรีแล้วความหลงก็ไปกินฟรีๆความโกรธก็ไปกินปรีๆความทุกข์ก็เอาไปกินปรีๆ มาที่ใดเขาก็ได้หอไปเต็มตัวเขาก็จะเลิศความหลงเขาก็จะเลิญความทุกเขาก็จะเลิศก็เลยเราก็เลยมุกคล่องอยู่เป็นนิดเราจึงให้มีการกระทำใช่ไานโดยเพราะการกระทนะําน่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เริ่มต้นเรว่ากรรมนะ่ยพระศาสนาเกิดจากการกระทําเกิดจากการกระทํา ไม่ใช่เกิดจากเหตุจากผลอนไร เ, เป็นพระพุทธเจ้าของเรานะ่เรียนรู้มาตั้งสิบเจ็ดสิบแปดสาห์สิบเจ็ดสิบแปดสา์ความรู้เต็มไปหมดจนได้เป็นเจ้าพ้าชายพออ่ที่จะเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิได้มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กรรม ไม่ใช่ตั้งอยู่ที่กายที่ใจหลักฐานชีวิตของเราจริงๆมันก็มีเรื่องกายเรื่องใจทุกคนก็มีกายมีใจเรื่องของกายของใจของเราก็เหมือนเหมือนกันความร้อนความหนาวความปวดความมุ่ยความสศกความทุกข์ความโลภความโกรธความร้งกิเลสตัณหาเหมือนกันหมดแล้วมันก็ครองเรามันก็ครองเราปวดแล้วปวดอีกร้งแล้วหลงอีกทุกข์แล้วทุกข์อีก อย่างนั้นจนต่างบางทีมันก็จเจริญจริงๆอความโลภความโกรธความหลง ก, ก็จเจริญกิเลสตัณหาก็เจริญนเจริญในความหลงถ้าเป็นการให้จิตใจก็ไปทางต่ําต่ําลงไปเรื่อยๆต่ําลงไปเรื่อยๆมันน้ำไหลาจากลําประทาวนะ์ยอดน้ําคือภูหลงป่ามหาพันธ์ ไหลลงไปที่แรกว่าสปริสตอยู่แต่พอมันไหลลงไปผ่านมาบ้านโนดบ้านนี้ม า, ม า, มาถึงถ้ามาไฟหวานมาถึงสุกโตมก็เสียไปเรื่อยๆเสียไปเรื่อยๆจนถึงทะเลใช่ไม่ได้ลไเลยเค็มไปเลยชีวิตกิตใจของเรากำลังันถ้าเราไม่ระวังสมรวมไม่รักษามันก็ไม่มีประโยชน์แทนที่จะมีประโยชน์ มีกายแทนที่จะมีประโยชน์แต่ตัวเองก็คนอื่นมีใจควรที่จะมีประโยชน์แก่ตัวเองแลือคนอื่นกลายเป็นโทษ <Okay. S 1> เราเคยเบียดเบียนตัวเองเราเคยเบียดเบียนคนอื่นทำให้เป็นภาระทำให้เกิดปัญหามากฝ่าวัดนี้เราจะมากลับเข้ามาดูตัวเองมาศึกษาวิชากรรมฐานมามีการกระทาให้มีการกระทำเกิดขึ้นทากรรมจริง นะให้มันสมบูรณ์แบบกรรมที่เราทำเอากายมาสร้างความรู้เอาใจมาสร้างความรู้ความรู้สึกตัวเอากายมาสร้างความรู้สึกตัวผิดความรู้สึกตัวจากปีมือของกายแล้วเราก็มีกายผิดความรู้สึกตัวจากปีมือของกิจใจจนได้เห็นจนได้รู้ เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเห็นเป็นโูกดูไปดูมาที่โลเคลื่อนไหวไปมามันดูวันเดียวผ่านตาตาในนะไม่ใช่ตาเนื้อนะมันเห็นถ้ามันเห็นอยู่หลายวันหลายวันมันก็โูดแก่การเคลื่อนไหวตัวนั้นมันเป็นโูกมันเป็นโูกที่มันทําดีมันโูดสึกตัวมันทําความดี ความรู้สึกตัวเป็นการทำความดีความรู้สึกตัวเป็นการละความชั่วความรู้สึกตัวเป็นการทำจิตให้บริสุทธิ์อ้ามันก็บริสุทธิ์จริงๆไม่ได้ไปทำบาปทำกรรมละไรรู้สึกตัวอยู่เสมอใจมันก็ไม่ได้คิดไปทางอื่นแม้นว่ามันอาจจะมีการคิดไปบ้างก็รู้จักจกลับมายังไม่เป็นกรรมกายกรรมไว้กี่กรรมเราเอาตั้งแต่ต้นมนโนกรรมเป็นเหตุเป็น ถ้าเป็นจำเลยก็เป็นหมายเลขหนึ่งโทษตักโทษหนักน ก, กายเนี่ยวาจาอาจจะเป็นจำเลยที่สองที่สามไดโทษเบาๆโทษตักคือจริงคือความคิดคือกิจใจเรียกว่ามโนกรรมมโนกรรมเป็นหมายเลขหนึ่งสำเร็จได้ก็เพราะมโนกรรมเป็นใหญ่ก็เพราะมโนกรรม จิตเป็นใหญ่จิตเป็นัวหน้าสําเร็จอยู่ที่จิตว่ามโนกรรมเราจะทําลงไปสิ่งใดมันต้องออกมาจากใจก่อนทีนี้ถ้าเราหัดใจนะหัดจิตใจนะมันไม่มีตัวเม่ตนเราจะไปจับมันมาฝึกมาได้เราจะมีอบาให้มันรู้อยู่ให้มันรู้อยู่ที่กายจะเพ่งไปยุ่งกับจิตใจทําใหม่ๆนะไม่อยงนั้นว่ามันจะคิดแล้วคิดอีกเคร่ขงของมันแล้วก็กลับมา ตั้งไว้ตรงนี้ตั้งไว้ตรงนี้เราทําเรื่องนี้ะแม้มันจะคิดไปเท่าไรกี่ครั้งกี่หนร้อยครั้งพันหนเราก็กลับมาลู่ร้อยครั้งพันหนเดี๋ยวไปโอเคตัวถูของเขาเราจะมาทําเรื่องนี้อเขาจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของเขาไปเราจะมาทําเรื่องนี้ให้ลู่สึกตัวให้ลู่สึกตัวอจนชำเนศชานานจนคินคินที่จะกลับมารู้แล้วก่อนนั้นมันคินที่จะไปสู่ความหลงไม่ที่จะหลง เมื่อก่อนนอนง่ายที่จะหลงเพรฝึกไป้ฝึกไว้มันง่ายที่จะลูกนั่นก็เป็นจริงๆมันฝึกหัดได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้สมกับการปฏิบัติของแต่ละคนไปขยันลูกคนนำก็ได้ความลูกไปไปขยันหลองคนนอนก็ได้ความร้งไปบางทีมันขยันทุกขยันโกรธก็่ได้ความโกรธจนเป็นจริตนิสัยละคะจริตโทสะจริตโมหะจิต ไปทางโน้นไปครับมาเน่เราต้องหัดต้องหัดนะไม่หัดมันไม่เป็นถ้าไม่หัดมันไม่เป็นเช่นหัดให้มีสติอยู่กับกายอะไรนะหัดให้มีสติอยู่กับความคิดเมือเห็นสองหลักเห็นเป็นรูปตายกับใจเนี่ยเมื่อดูเข้าไปจริงเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนาม การเคลื่อนไหวอยู่ในเป็นรูปนั่งอยู่ใเป็นรูปรูปจริงๆกันคิดไปทางโน้นมันเป็นนามรูกอะไรได้รูกเจ็บรูกปวดรู้ร้อนรู้หนาวรู้หิวมันเป็นนามเป็นนามที่มันรับรูเลยไเรียกว่าวิญญาณวิญญาณธาตุนั่นเป็นนาม แต่เราไม่เคยสอนมามันรู้อะไรก็ปล่อยมันรู้ซื่ อ, อมันรู้แบบตรงๆแต่มันรู้เฉยๆรู้ด้วยความบริสุทธิ์เวทนาก็เวทนาบริสุทธิ์ไม่ใช่เวทนาเป็นอุปทานความสุขก็เป็นอุปทานความทุกข์ก็เป็นอุปทานไม่ใช่สุขก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นมันมันมีอยู่ความสุขความทุกข์ของรูกก็ ม, มีความสุขของทุกข์ของความสุขความทุกข์ของนาม ป่วใจมันก็มีอยู่มันก็มีอยู่แต่เราเห็นแค่นั้นเห็นแค่มันทุกเห็นแค่มันสุขจะให้เกินไปเป็นยินดีเป็นยินได้เป็นการยึดเอาไว้เป็นการไม่ชอบเป็นการชอบไม่ใช่อย่าให้ไปถึงนู้นเห็นสุขก็เห็นสุขเห็นทุกข์ก็เห็นทุกข์เห็นมันหลงก็เห็นมันหลง จะให้มันต่อไปจนตรงเป็นกิเลสตัณหาเป็นความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงไปมันไปไกลเกินไปมันไม่จำเป็นเราก็รู้เฉพาะเฉพาะเรื่องของมันเวลามันคิดเราก็รู้ทันความคิดแล้วเราก็กลับมาบำบัาอยู่กับความรู้จึกตัวในการสอนตัวเราการสอนตัวเราให้เป็นน่ะมันเป็นเรื่องที่ น่าจะรียบรวนกว่าเรื่องอื่การสอนให้รู้น่ะเราก็มีการสอนทั่ ว, วไปมีตั้งแต่ชั้นประถมชัน้นมัธยมชั้นอุดมการสอนให้รู้พวกเราก็รู้กันมากมากแล้วแต่ว่าการสอนให้เป็นเนี่ยอเราต้องสอนตัวเราคนอื่นสอนให้เราไม่ได้เป่นมันหลงเนี่ยใครสอนให้เราไม่หลงเราต้องกลับมาเอง เราหลงคนอื่นก็ไม่เห็นว่าเราหลงเราทุกโกรคนอื่นก็ไม่เห็นว่าเราทุกเราจะสอนตัวเราขณะที่มันหลงขณะที่มันทุกขณะที่มันโกรขณะที่มันทําอะไรผิดพูดผิดคิดผิดเราจะต้องสอนมันตัวเองต้องสอนตัวเองสอนให้เป็นนะไม่ใช่จําให้มันเป็นทําให้มันเป็นไม่ใช่รู้เอามาปฏิบัติ มันทุกข์เอามาปฏิบัติให้มันไม่ทุกข์สนะอนให้เป็นทุกข้างที่มันผกิดสอ น, ม, นมันก็ทําถูกทุกข้างที่มันหลงก็ทําให้ไม่หลงนะครับทำเป็นวิธีอย่างนี้นะเป็นวิธีที่อยู่ในกํามือเดียวอยู่ในกํามือของเราไม่ใช่เป็นวัตถุที่หนึง่งที่สองอค์ปรกอที่หนึง่งที่สองที่สามมันอยู่กับตัวเรามันมีความพร้อมอยในตัวเสร็จมีความพร้อมอยู่ในตัวเรา ขอให้เราขยันตรงนี้ขอให้เราขยันตรงนี้สังห น, น่อยจะไปขยันทางองื่นเช่นตาเห็นลูกนะตาเห็นโลกมันก็ขยันไปปรุงไปยินดียินไล่ไปทึงโน่นไปแนละกับไม่ไม่ใส่ใจตรงนี้นถ้าเรามีสติกับส่วาวะเห็นสำเร็จประโยชน์แล้วการเห็นพภว่าเห็นแล้วก็หลุดพ้นตรงเห็นแหละถ้าเป็นก็ไม่พ้นแล้ว ไปไกลแล้วเป็นผู้ยินดีเป็นผู้ยินร่ายไปโ น, น่นเป็นผู้ชอบเป็นผู้ไม่ชอบไปโน่นไปถ้าเห็นแล้วประโยชน์ทันทีถ้าเห็นแล้วสำเร็จประโยชน์หลุดพ้นทันทีถ้าเป็นเราไม่หลุดพ้นเราจะมาสอนตรงนี้มาสอนตรงนี้ขณะที่มันไม่ได้เห็นไม่เป็นอะไรก็ลู่เอาไว้ลู่เอาไว้ให้มันจำเนจรจานานสร้างความรู้สึกตัวให้มันคองกายคลองใจ จนเป็นเจ้าของของกายจนเป็นเจ้าของของจิตใจความโลสุดตัวนะแล้วนี่กายของเรามันเทือนอยู่ใจของเรามันเทือนอยู่สัมสนสัมสอนก็สสนเป็นใจที่สัมสอนแล้วกเรียกว่าโสเภณีโสเภณีของใจตาย ส, สัมสนก็เป็นโสเภณีของกายก็จะให้ไปไหนก็ไปกับเขา เขาจะโกรธให้โกรธกับเขาเขาจะทุกข์เขไปทุกข์กับเขาเขาจะหลงก็ไปหลงกับเขาเขาจะทำชั่วเขาไปชั่วกับเขาทำอะไรไปโน่นเดีว่าสองคนไม่เขาจะหอบจะหิวไปไหนนั่งอยู่นี่เขาหิ้วไปโนนกรุงเทพหาคนรักหาคนช่างไปโน้นนะต้องหิวไปแทนที่จะอยู่กับเนื้อกับตัวคอยปกติ อย่างที่เคยพูดหลายครั้งว่าบ้านของใจเนี่ยคือความปกติบ้านของกายก็มีการทุกชีวิตอยู่แล้วแต่บ้านของใจเนี่ยอาจจะจนอยู่ยังจะกลางคืนเป็นควมัมกลางวันเป็นเปลวกลางคืนว่าขาันกลางวันว่าคิดหมุนควนคิดอยู่ไม่มีบ้านอยู่จ น, จนจนอยู่ไลอยู่เลย สันบ้านของใจคือปกติก่อนที่จะเข้าถึงความปกติเราต้องฝึกเราต้องดูต้องดูต้องหัดดูให้มันรู้มันเห็นกายอยู่นานๆให้มันอยู่ด้วยกันนานๆสักหนึ่งวันทั้งเจ็ดวันหนึ่งเดือนทั้งเ็ดเดือนหนึ่งปีทั้งเจดปีลองดูแล้วก็ไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้ไม่ต้องไปหาวัตถุที่หนึ่งที่สอง เป็นแหล่งการศึกษาเป็นตกะชิลาเป็นมนุษย์สมบัติอยากลู้เมื่อใดจะโลดาอยากมีสติเมื่อใดจะมีได้เวลาใดมันหลงกมมีสติได้ทันทีเรามาฝึกตรงนี้กันเมื่อเราฝึกไปฝึกไปมันก็มีโอกาสฉนีฉนานมันไม่ใช่ว่าสติธรรมดาถ้าเราฝึกไปมันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญามันเป็นมากเป็นผลไปนนู่น มันก็ไปได้ด้วย เ, เรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวเนี่ยมันไปมันไปไหนมันไปจากความหลงเราลู่เที่ยงหนึ่งก็ใกลาจากความหลงเทนั้นเราลู่สองข้างมันก็ไกลาจากความหลงสองสองข้างถ้าเป็นมหาลู่มันก็ไกลาจาความหลงไปไปจนอยู่คนละโลกหาไม่พบเลยความหลงคิดยังไงมันก็หาไม่พบคนเราพบแต่ชาติกัลั ความหลงกับชีวิตเราคนเราพบประชาติแต่ก่อนความหลงกับชีวิตเราอยู่ด้วยกันย่ยํายีเราอยู่เป็นภาร ะ, ะความโกรธมันเนี่ยคนเราภพกระชาติความทุกข์มันเนี่ยมันเป็นคนเราภพกระชาติกับเราแล้วการปฏิบัติการสร้างความรู้สึตัวไม่ใช่แบบมีแค่นี้หรือไม่แค่นี้หรือมันไม่ใช่แค่ได้ดอกเป็นศีล เป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นญาณอย่างรู้ทะลุทะลวงดูอะไรจบทันทีดูอะไรจบทันทีเหมือนอืคนที่มีความรู้อยองคนหมอพอดูคนป่วย ม, มันก็ทะมัก็ทะลุทะลวงไปเลยเขาพูดให้ฟังสังเกตการทะลุทะลวงไปเลยจัดยาให้คนป่วยหาย สถาปนิกการกอร่อสร้างอย่างอย่างจันทร์สมศิลป์เนี่ยออกแบบปฏิแบบนั้นแบบนี้ดูไวปปะทะลุทะลวงทําแบบนี้ห้องนอนแบบนี้ห้องน้ําแบบนี้ทำแบบนี้บางทีกับตดวัดสดุ ป, ประกณ์ได้พอดีปูนกี่ลูกเหล็กกี่เส้นอิฐ ก, กี่ก้อนไมกี่เม็ดกี่ศอกไม่ให้เศษไม่ให้เลย แล้วกําหนดลงไปทํากี่วันแล้วกําหนดลงไปอีกลาขาเท่าไหร่เป็นธรรมถ้าชํานาญดังนั้นก็ยก็จริงในทางนั้นอย่างพวกเราที่มีความชำ น, นิชำนาญหลายคนที่มีความชำ น, นิชำนาญปีที่แล้วอะไรัาษาที่แล้วไม่พระรลกหนึ่งเขาเป็นช่างซ่อมเครื่องบินนะอ๋อเขาก็เก่ง ซ่อมเครื่องบินเขาดูเขาเอ็กซเรย so so so ์เครื่องบินแต่ละครื่งบินของเขาลงมันลงแรงเกินไปขเอ็กซเรย์เขาก็ลูแต่พวกเราเอ็กซเรย์เครื่องบินไม่ได้เอ็กซเรย์หัวใจก็ไหนได้แต่ชักความคนขเอ็กซเรย์เครื่องบินส่วนเสียก็กซ่อมทันทีการศึกษาเรื่องใดมันก็มีความชำนจำานาเดิน จนเป็นปริญญามันกันยาตะประิญญากําหนดรู้โดยการรู้ชีวิตเราแล้วเป็นปัญญาอันต้นตีแล้วก็น่าเป็นยาปัญญาในการแจกแกงอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามอันนี้เป็นสมมุติอันนี้เป็นบัญญัติอันนี้เป็นผลมัดอันนี้เป็นวัตถุอาการต่างๆนะกำหนดรู้โดยการรู้ มันก็เียบร้อติแล้วขา้างสญมยาแก่แกงแก่แกงย่อยออกไม่เป็นขี้นเป็นดันมองเห็นลูกมาทำมองเห็นนามมาทำแกกออกตัวตนเลยไม่มีตัวตนที่จะไปโกรธตัวตนที่จะไปทุกข์ตัวตนที่จะไปวิตกกรรมหมดเลยไม่มีแก่หมดเลยเหลือศูญชีวิตเหลือสูญไม่มีอะไรที่จะไปให้ทุกข์ มันไม่มีตัวในตนที่จะไปทุกข์ไปโกรธไปโลภไปหลงเหลือศูนย์เหลือศูนแก้กออกปัญหาน้ปริญญาทําให้พ้นไปหมดไปทําให้ปัญหาหมดไปทําให้ไัยทั้งปวงหมดไปเรียกว่าปัญหาหน้ปริญญาหมดไปพ้นไปชีวิตยอยู่เพื่อค ว, วามหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้ น, พนไม่มี ไม่มีการบ้านไม่มีโจทย์ไม่เป็นจำเลยไม่เป็นภาระต่อหคนเรื่องของกายก็ไม่ต้องไปเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายเรื่องของใจก็ไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะใจแต่เนี่ยเราเอากายไปเป็นสุขเป็นทุกข์เอาใจไปเป็นสุขเป็นทุกข์เอาใจไปลองรับทุกอย่าง ความรักความชังก็อยู่กับใจความโลภความโกรธความหลงก็อยู่กับใจความสุขความทุกข์ก็อยู่กับใจความยินดียินร้ายก็ไปอยู่กับใจนะมันก็สูญเสียแห่งความเป็นใจเลยพึ่งใจไม่ได้ตายคนที่พึ่งกิบพึ่งใจไม่ได้นะทั้งที่มันอยู่กับเราหลวงพ่อก็ถามคนหลายคนเรามีลูกเรามีกายเรามีใจเรามีนาม เช่นเรามีใจเราเพึ่งใจได้ไหมบางคนก็ไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะพอเราบรรูุแล้วเราจะใช้โูกทําแต่ความดีเราจะใช้น้ำทําแต่ความดีพอเรารู้จักมันเลือกได้แนละ้วแต่ก่อนนี่ไม่มั่นใจนะบางทีอาจจะทําความทั่ว์สับสนทุนนกซนทุกซนจริงจรงใจ อดโล่ชอดเท็ดอะไรอดเดตอนาคตเฮ้หน้าวิ่งนล ะ, ะคนหนุ่มก็คิดไปข้างหน้าคนชราก็คิดเลื่อนข้างหลังปัจจุบันนเล ย, เลยไม่นี่ไม่ได้ตกแต่งปัจจุบันก่อนที่จะเป็นอ ด, ดีตก่อนที่จะเป็นอนาคตมันต้องมีปัจจุบันมันต้องมีปัจจุบันนะเพราะเราจะไม่ได้ค่อยๆเจ็ดตาพอเราศึกษาแล้วโอ้เราจะเอาลูกนี่ทาแต่ฟังดีเราจะเอาน้ำทําแต่ฟังดี มันต้องไปอย่างนั้นนะอันสิ่งไหนไม่ดีเนยไม่ให้ลูกทําไม่ให้น้ํามันทําเพราะฝึกมาแล้วแล้วมันก็ลูกมันก็ลูกจริงๆรลูกมันก็ลูกนะไม่มีอะไรที่จะลูกดีกว่าลูกน้ําก็ลูกมันลูกของตัวเลยถ้าหัดตัวนะเช่นเราหัดให้มีความรู้สักตัวสักเก็ดวันดูสิพอมันหลงมันจะไม่เอารอกมันจะกลับมากันที ถ้าเราหัด น, นะตัวรู้กับตัวหลงมันต่างกันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินสัมผัสดูแล้วถามใครไหมไม่ต้องถามใครมันไม่เอาหรอกแต่ถ้าคนที่ไม่เคยมีความรูนะ้เน่ะมันหลง ก, ก็เฉยอยู่ได้เฉยอยู่ได้เพราะเขาอยู่ในโลกคนเดียวเขาอยู่ในโลกคนเดียวหมอนคนคนโกรนะ่ยเขาอยู่ในโลกแห่งความโก เขามองความไม่โกรธไม่เห็นเขาก็พอใจอยู่ในความโกรธความทุกข์ก็เหมือนกันเขาอยู่ในโลกแห่งความทุกข์เขาไม่ได้มองเห็นโลกแห่งความไม่ทุกข์เขาก็พอใจที่จะทุกข์อยู่ไม่ใครไปห้ามเขาก็ไม่เอาหรอกไม่โกรธไม่ได้ไม่โกรธไม่ได้นะโกรธแล้วเมื่อไงคนเห็นอยู่นั่นแหละเขาก็รู้ว่าเขาแสดงอะไรที่มันควรที่จะแสดงออกให้มันเห็นอ่า มันเห็นว่าเราโกถ้าเห็นว่าเราทุกข์เขาอยู่ในโลกกันเยอะพอลองมาดูเขาจริงๆโอ้มันมีโลกมันมีคู่อยู่นะเหมือนพระเศรษฐามองมองโลกแบบมีคู่เห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายมองตรงกันข้ามเลยคือไม่ยอมนะเห็นคนเกิดโอ้มันก็ต้องมีไม่เกิด เห็นคนเจ็บมันก็ต้องมีไม่เจ็บเห็นคนแก่มันก็ต้องมีไม่แก่เห็นคนตายก็ต้องมีไม่ตายได้หลับตรงไหนเห็นสมณะ อ, อ็มองก็เมื่อมองอย่างนั้นก็มีการกระทําเกิดขึ้นเลยคือไม่ยอมรับผิดชอบเราเนี่ลองดูบุรุษผู้ที่สร้างสติเนี่ยมีสติไปหลายฝันจะเห็นความหลงเนี่ยเป็นเรื่องเหนึ่งต่างหาก นะเขาจะไม่ไปเขาังไม่ไปเจอความหลงก็จะสร้างความรูท้ทันทีพอมันหลงที่ใดต้องมีโอกาสในความรูท้ทันทีเป็นคู่ของเขาหัดไปหัดมาหัดไปหาาัอมเขาก็เขาก็เป็นอัตโรมัติของเขาเขาก็ช่วยขเขาเองเมื่อเกือบเครื่องยนต์เขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปตามธรรมชาติของเขาไปเป็นปรมาจารย์ไม่ต้องไปเข็นกัน ชี oui วิตข evet. องเราถ้าเป็นสมองก็สมองในทางที่ดี ER เป็นปัญญาที่จะคิดไม่ให้เกิดปัญหาไม่เบียดเบียนตนและไม่เบีเบียนคนอื่นนั่นก็จบชีวิตของเราถ้าไม่เบียดเบียนตนแล้วชีวิตของเราถ้าไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วแล้วก็ช่วยให้เขาคนอื่นไม่ให้เขาเบียดเบียนเขาช่วยคนอื่นให้เขาไม่เบียดเบียนคนอื่น เสียงอื่นวัตถุอื่นเาก็ไปอย่างละเขาไปทดลองละเขาเลยอเป็นเรื่องกลมกลืนไปนหลา ย, ลายอย่างไม่มีใครดอกที่จะอยู่เฉยๆเหมือนพ่อแม่ได้อาหารมาก็คิดถึงแต่ลูกห่วงใยลูกไม่คิดลังเกียดอะไรที่เกิดอยู่กับลกูกฮความสุขของลูกความทุกข์ของลูกเป็นเรื่องของตัวเรา ชีวิตของผู้มีสินมีทรรมนะก็เกิดการงานขึ้นมาคิดช่วยคิดเลือคิดจะบอกคิดจะซ้อนเพียรพยายามที่จะคิดที่จะช่วยคนอื่นโดยวิธีต่างๆอยูนะ่เดี๋ยวนี้นะผู้ที่สอนให้เกิดความรู้จักตัวให้เกิดนะไม่เบีเพียนต น, นมีไม่มาก คนโสดให้หลงอาจจะไม่มากตอนพวกเราต้องให้พอสมควรนะตอนที่จะมีชีวิตอยู่กับโลกบางทีเราก็ต้องให้มันจัดเจนบ้างเอาบทเรียนบ้างเอาประสบการณ์บ้างกลับมายิ่งพวกเราได้เคยปฏิบัติธรรมได้เคยยกมือได้เคยเจริญสติเนี่ยอาจจะมีเครื่องมือมีเครื่องมือพอที่จะแก้ไขพอที่จะ อทําความร้ายเป็นความดีพอที่จะทําความผิดให้เป็นความถูกพอที่จะทําความทุกข์มันเป็นความไม่ทุกข์มันก็ยินดีนะแต่ถ้าคนที่ไมาเคยศึกษามืดแตดด้านมืดแต่ด้านพลวที่จะมาช่วยตัวเองได้เราเก็บปวดเต็มทีแล้วเก็บปวดเต็มทีแล้วเราจึงเป็นเรื่องรีบด่วเนเรืงหน่อยหาตอาไว้ฝึกเอาไว้ มันหลงอยู่ที่ไหนเปลี่ยนเป็นความ ร, รู้มันทุกอยู่ที่ไหนเปลี่ยนไปความไม่ทุกให้ทําตรงนี้สักหน่อยใส่ใจตรงนี้อย่าให้มันพลาดถ้าพลาดตรงนี้ก็พลาดไปหลายๆอย่างเช่นเวลาใดมันหลงให้มันรู้ทันทนีอย่าให้มันพลาดตรงนี้ถ้ามันพลาดตรงนี้ก็ไปไกลมากเหมืนะมกับการงานต่างๆไม่จีดด้านเดียวไม่เมืองทั้งเมืองก็ได้ ความหลงอย่างเดียวไปเป็นกิเลสตะนะเป็นละะเป็นความโลดความโกรธความหลงเป็นอิจฉาพยาบาดเกิดศึกสงครามทิ้งลูกทิ้งเมียทะเลาะวิวาทกันไปพระพุทธเจ้าความโกรธ ถ, ถึงไม่มีตัวไม่ตนแล้วความหลงก็ไม่มีตัวไม่ตนแต่มันยิ่งใหญ่ถ้าเราจะมาดูแล้วนะสมความง่ายที่สุดการการฝึกกิจเนี่ยง่ายกวก่าการฝึกอันเดิ พวกมันอยู่กับเราไม่ต้องมีวัตถุที่หนึ่งที่สองที่สามการตุกขิตเนี้ยนเป็นของที่ง่ายเป็นของที่สะดวกกว่าแต่บางคนเขาพูดว่าฝุกยากทําใจยากที่จริงเขาไม่ได้ทําจริงเขาไม่ได้ทำจริงจริงหรอกถ้าเขาได้ทําลงไปสักหน้อยนะมันก็จะกระตือตรือร้นว่าการมาฝุกจิตการรักษาจิตการดูแลจิต างที่หลวงพ่อบอกว่าบ้านของจิตคือความปกติถ้าเขาได้อยู่กับความปกติเขาจะไม่หนีไปไหนทีนี้เขาไม่เคยพักบ้านหลังนี้เขาไม่เคยปกติบางทีก็กระโจรไปเลยๆถ้าเขาได้พักดูสักหน่อยปกติอยู่สักหนึ่งวันสองวันเขาไม่ไปไห น, นเขาจะเข้าถู่ความปกติ เหมือนร่างกายของเราร่างกายของเราถ้าผนตกก็เข้าร่ ม, มแดดออกก็เข้าร่มมันรู้จักช่วยตัวมันเหิียวมันก็รู้จักสายกินแต่จิตใจนี่ถ้าเราไม่ฝึกมันไม่รู้นะเพราะมันไม่มีคู่เราไม่เคยฝึกถ้าเราฝึกให้มีความรู้สึกตัวมีปกติแล้วเมื่อก็เข้ามาเข้ามาสู่ความปกติ การทำให้ปกติเป็นเรื่องง่ายที่สุดการทำให้ปรงเป็นเรื่องยากทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากคนที่ฝึกนะแต่คนที่ไม่ฝึกเนี่ยทาดีได้ยากทาชั่วดีง่ายเขาก็ไหลไปทางนั่นแล้วดังนั้นพวกเราเนี่ยให้มีศิลปวิทยาการของชีวิตของเราบ้างยกตนช่วยตนเ ต, ตือนตน แก้ไขตนเองแล้วจึงก็ไปช่วยคนอื่นไปไปเตือนคนอื่นเห็นตาเห็นลูกเราต้องดูคนเขาด่าเราก็ต้องมาดูเราเขาดินทารเราเขาสเสิร์เราก็าต้องกลับมาดูเราเข้ามาหาตัวเองก่อนอย่าเพิ่งออกไปอย่าเพิ่งไปดวนรับอย่าเพิ่งไปด่วนปฏิเสธดูคนมีสติจะนุ่มนวลสุขุมโลก ทําอะไรไม่วู่วามผลผลผลเล่นอมักแก่นิ่งนะคนมีสติทําให้นิ่งมันมีศิละปะทําทให้นิ่งได้เวลามันเคลื่อนไหวอยูแล้วมันปรุงปรุงแต่ ง, ง, ง, งๆทาให้นิ่งจนเป็นปกติได้บ้านของกิจคือความปกติสร้างให้ได้ให้มีที่อยู่แต่นี่กิจใจเราไม่มีที่อยู่อาภัพอาภจน กลางคืนเป็นควันกลงวันเป็นเปลวร้อยสันตติเกิดขึ้นทันทะเลไหลไปไม่ได้หยุดได้ย่อนก่อนนอนก่อนหลับเราฝึกอยูที่ไหนเราฝึกนั่งอยู่บนรถไปที่ทางานเราลู่จักตัวเราลู้สักตั ว, ตวให้เป็นคู่ชีวิตของเราอย่าให้มันโดดเดี่ยวไปไหนอย่าไปคนเดียวให้มีคู่ฝ่องแค่ น, น, นะะะนั้นเนี่ยพวกเราก็พบกัน เป็นข้างเป็นข่าวอก็สิ่งที่พูดสิ่งที่เราทําไม่ใช่ไม่ใช่ชั่วขณะดนี้ขนาดนนามันเป็นไปตลอดเวลาคําพูดการกระทําของเรามันก็ต่อเนื่องไปคําพูดมันไม่จบมันไม่ไม่เหมือนเราดูหนังฟองละครมันก็เป็นของเราเองนี่เป็นสัจธรรมเป็นปรามาจาอย์ความรู้สึกตัวเป็นปรามาตัตา์ความหลงเป็นสมมุติ ความโกรธเป็นสมมุติความไม่โกรธเป็นปรมัติความทุกข์เป็นสมมุติความไม่ทุกข์เป็นปรมัดเน่นะมันก็จริงอยู่ในของที่ไม่จริงมันก็มีของจริงในความไม่เที่ยงมันก็จริงแบบไม่เที่ยงในสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันก็จริงแบบมันเป็นทุกข์แล้วมันก็จริงแบบปรมัดแล้วก็เป็นอย่างนั้นของเขาเราก็รู้ไรู้เราก็ลภเราก็ไม่มีลอยไม่มีลอยในใจเรา ความไม่เที่ยงอาจจะเป็นประโยชน์ความเป็นทุกข์เป็นประโยชน์ความไม่ใช่ตัวตนเป็นประโยชน์ชีวิตกอเราคนหลุดพ้นตลอดเวลาวันนี้ก็สมควรเจรเวลาเราก็จะมีจิตกรรมมาในอีกเที่ยงโมงข้างหน้าต่อขอยยุติการพบปะพูดจาปลาัยกับพวกเราตามสมควรเจรเวลาโดยความตั้งใจของพวกเราที่ตั้งใจมาคณะ ผมศึกษาปฏิบัติธรรมธรรมฐานส า, าราสุดาที่ใดตั้งใจมาทำความดีแล้วเขอจงได้เป็นบบตระเวเจชาคำจุนนนทสงให้ทุกท่านได้ประสบกับคุณธรรมเบื้องสูงในพระพุทธศาสนาในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกทุกคน เราได้ไปช่วยคนอื่นให้รู้ตามมีความสุขทุกต้วนหน้าตลอดกาล น, น, นานเธอ เรามาเห็นก็เกราไม่ว่า ไ, ไ, ไม่ค่อยสะดวกดอกแต่ถ้ามาเห็นวัดวัอารามเห็นถนนหนนทางเห็นผู้เห็นคนเห็นพระสงฆ์เห็นหลวงพ่อเห็นวาสนาวิสาที่อยู่ที่นี่อนั้นก็อยากพ้องตัดสินใจว่าชอบหรือไม่ชอบความจริงแล้วสุขโตต้องเข้าให้ถึงให้เข้าถึงความรู้สึกคิดนึกของพวกเรามีสติลงพื้นที่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 แ่นที่เรามาสุขโตอย่างเดียวเราจะได้สัมผัสกับอะไรที่มันลึกซึ้งความรู้จักตัวน ะ, ะจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาจิตสงบเกณนเบาเปลี่ยนล่วงพ้นภาวะกบกล่อลงท่านหลวงพ่อจึงขอฝากพวกเราว่าขอพับใส่กระเป๋ากางเกงขอพับใส่กระเป๋าเสื้อให้พวกเราไม่นักหรอกโล้ไวไม่ใช่บาดแบกหาม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 เราก็ช่วยคนอื่นบ้างตามฐานะของพวกเราอย่างคณะธรรมหันษาที่มาสุกโตทุกครั้งทุกคราวมันก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อพื้นที่ต่อที่นี่มากพอสมควรนะบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นก็มาเห็นนันก็ขอบอกว่านะถ้ามาเห็นกติสารายเห็น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 ก็ยังลังเลสงสัยสามวันก็ยังถ้าจะมีอะไรแสดงออกก็แสดงอย่างรุนแรงความไม่พอใจก็แสดงออกในวันที่สามความพอใจก็แสดงออกในวันที่สามถ้าสี่วันนะก็ใหยก็ยได้รับได้รับลูกอะไรบ้างลูกจกแยกแากแกพอห้าวันหกวันเข้าโลกแล้วเข้าโลกจะเข้าถึงตัวสติเข้าถึงความสงบตัดสินใจได้อ